ความสุขความสงบทางจิตทางใจศาสนาทุกท่นแนะนำสอนมนุษย์ให้เป็นคนดีผู้ที่มีศาสน า, า, ป, ร า, าประจำใจประจำมาจาประจำใจคนนั้นจะไปในคิดใดทางใดในล่าสมัยมีผู้คนประชาชนทุกชาติทุกประเทศ มิยอมชนชอบเพราะเหตุใดเพราะศาสานาสอนคนเห่เป็นคนดีมีคุณค่าศาสนาสอนคนเห่ซึ่สัสตยสุจริตสอนคนเห่มีเมตตามารณาต่อกั น, นเหยียบเดียงกันเรืองของศาสนาขึ้นของศาสนาชาวโลกทั่วไปถูกสนใจใส่คิดตามเรืองของศาสนา แต่เป็นเพราะว่าผมมีความสุขในเขตของตงอาานเพราะศาสนาไม่ได้สอนแต่นักปรินิพานเท่านั้นสอนประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ดังเร้่อการสอนทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับอยู่สอนใจคนที่จะบังคับปฏิบัติอย่างไรแต่คนสมัย ก็ได้แล้ว ท่านควรนำมาทิ่นี้ที่เป็าสอนกายใจของตนขอทำนองเดียวกันหากคิดว่าศาสนาขึ้ล่าสมัยก็ไม่มีทางที่จะทำกายทำใจของตนให้ดีวิเศษไดา้มีใจใ จ, ใจชื่อที่เศษความหยอะแยุ่งจิตใจให้เป็นไปตามทางชั่วทางเสียทางต่ำเรื่อยไปเพระนั้นเรื่องาศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราทุกท่านควรที่นี้จะรียนไม่ใช่ศาสนาเป็นของข้องราจะไหมตามเลงปากของคนหากคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องของศาสนาจะมีความสุขความสบายความเลือกเย็นเลกที่นขวนไนเลือดร้อนวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันก็เพราะคนขาดเรื่องของศาสนา ก็ธรรมะของพระพทธเจ้าสอนให้มีเมตตาตูนาสามัคคีไม่สอนคนให้ทล า, าละอบาะแว้งกันไม่สอนคนให้อิจฉาขยับบัตรกันตลอดจงสอนประโยชน์ปัจจุบันอิทธาลสัมปทาให้มีความมั่นความขยันในจิต ก, การหน้าที่จะทําการงานอะไรขาะเอาใจใส่มันขยันการงานนั้นนั้นก็จะ ปายทางน่าเหยียบพลาสไมเอา่านในการงานไม่ว่าทางด้านพระพุทธศาสนาปฏิบัติใจวายใจคงตนเพื่อมากผลหรือทางโลกเพื่อบอกครูองตนคนนั้นก็จะไปในอดแต่ถ้ายากลำบากก็ขาดความหมั่นความขยันเรื่องขอะศาสนาสอนอย่างนั้นสอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานองตน ไปสอนคนให้เหยียดพายอารักขาจำปัญหาถึงพร้อมโดยการรักษาเมื่อเรามั่นขยันหาจับจังหวัดมาได้ไม่รักษาสิ่งของที่ได้มาจะมีทางเสียหายแต่นั้นท่านจึงสอนให้มีอารักขาจำปัญาคือการรักษาสิ่งของที่ป็นหามาได้ ยึ voilà. ่งเป็นของมีคุ้ค่ามากเท่าไรจะยิ่รักษาดีก้อนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราต้องเข้าใจกันเคลียอยเงินทองต่างๆรู้สึกวลาเกิดไปรึเป็นของคี่มีคุณค่าสระเราควรจะต้องอกบานก็ดเพราะคนอื่นเขานไม่เป็นของมีคค่าเขาก็ไม่ป่อยจะสนใจไม่เปอยากหน้าแ้าของมีคุณค่ามากๆ เขาไปเลี้ข้าเขาก็อยากจะต้นจะขี่จะขโมยเราไปแจะนั้นท่านจึงสอนเรื่องรักษะคือการรักษาสมบัติของตนที่หามาได้ตั้งมาชีวิตตาเลื่องชีวิตพอสมควรจะรายได้ของตนไม่จับจ่ายใช้สอยมากเกินเหตุเกินผลของจําเป็นยิ่งไป ใช้จ่ายไปได้ไหน้อยจ่ายได้มากมันก็ไม่มีทางที่จะเหนือหรอนม่ท้ายจะเป็นนี้เป็นสินเลื่อยไปแต่ทุกแต่จนเลื่อยไปแต่นั้นกันจือแห่้จ่ายพอสมควรจะรได้าในซ้เคืยเดืยดละสามมาชีตะตากต่ระยานั้นแต่ตากบเพื่อนทักจบที่เกี่ยว เพิ่มดีแบบพบนักเรียนตันต่างตั่งแต่5ใครตัวเสียหายไปหรือเพืประโยชน์ปัจจุบันคนใดต่างหๆต่างๆทำมาท้ายจริงตามสิทธิพระพุทธเจ้าตรงเนี้นำาำสอนแล้วคนนั้นจะมีทรัพย์เส้นบัตรพอเป็นพอไปไปอดอยากอยากจน คนใดในเชื่ยวังคำสอนของพผู้ใจจ้ากรมีห น, น้าที่การงานสูงเด่นขนาดไหนแต่การใช้จ่ายหรือการรักษาการพบเพื่อนไม่ดีให้ต้อมีทางที่จะเสียหายสนตีไปสำหรับสมบัติดังนั้นท่านจึงให้เหลือกคัดหาบุคคลคือเป็นกัลยาณ์นี้คือคนดีมีศีลมีธรรมพระผู้ใจจ่าสอนเขาว่า ท่านก็สอนไปแบบหนึ่งสอนที่สุสามเณยนักบวชท่านก็สอนไปแบบหนึ่งตามฐานะหนา้าที่เรื่องธรรมะจึงเป็นของดีไม่มีอะไรคือจะคืบล้าสมัยตามลมปราบของคนหากผู้ปฏิบัติตามธรรมะ เหาเห็นแบบไรก็คิดเห็นออกเห็นใจคนอื่นเขาถ้าหากเขามาเร่องเกินตัวของเราแบบนั้นเราก็เสียใจไหมให้คิดทีนี้พี่จะแนานะถ้าเราไปทํากับเขาเรทํานองเดียวกันถ้าเขามาทํากับเราเราเสียใจเราก็ไม่ควรที่จะไปทํากับเขาสูกกับเขาได้ถึงที่ชั่วที่เสียนบบนั้นเราทุกท่านารนะักษาได้ เข้าใจเรื่องของศาสนาเรืออันนี้ก็อะหลกเยีอดเยียนไม่เป็นเดินเป็นใครแก่กันเพราะทุกคนเห็นอกเห็นใจกันศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจิตวุวนระลึกนึกคิดวนันฝึกกายฝึกจิตของตนได้รับรสชาติของศาสนาคือมีอัตชํมประจัง คือผู้ประกฤบิปฏิบัติศาสนาคู้มีธรรมะอยู่ในตัวคือผูร้รักษาศาสนาฝึกศึกษาศา ส, า ส, าสานาคือผู้มีธรรมะมีแต่ลมปากสอนเขาเป็นแต่เป็นเองประพิชชั่ประเพิชเสียคำสอนเป็นอย่างหนึ่งแต่การทำการพูดเป็นไปอีกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้ใครเล่าเขาจะเชื่อถือ สอนทุกทนแต่ในเรื่อประโยชน์ให้นะนักเรีนสุอลาจินเหล่าไมเอาทุกการทุกเวลาแต่กา ร, กา ร, กา ร, การสอนทนอีหมาจ้านจินเหล่าจินยาเป็นทางไหนดีไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อไม่นับถือเพราะเหตุใดเพราะถ้างไหนดีทําไมจะจินจินอยู่เขาจะไม่นับถือคําสอนของคนแบบนั้นนอกจากนั้น นับเศาสนาต้องปฏิบัติเป็นแบบพิมอันดีแก่คนอื่นเขาเรารู้เราพอใจอย่งางนัศาสนาอย่างไรประพฤติกายใจของตัวอย่างนั้นถ้าเราประพฤติได้จึงสอนคนอื่นนั้นสามารถที่จะมีผู้เชื่อผู้เรื่องใส่ผู้ยินดีเต็มใจปฏิบัติตามเพราะทุกคนชอบความสุขแต่เพียงแต่สอน กำลังตำราใยลงปากของตัวแต่ตัวเองเราเพื่ชั่อเสีหายอยู่ฝุ่นง่ายๆก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคพผิวหนังเขาไปยาขายยาโรคผิวหนังว่ายาของฉันมีอย่างนั้นอย่างนี้โรคผิวหนังทุกประเทศใช่เอายาของฉันไปแล้วหายเหมือนติดทิ้งแต่ตัวของเขาปากเต็มตัว ติดเป็นตัวคนไหนเขาจะเชื่อว่ายาของเขาดีถ้ายาของเขาดีก็าต้องรักษาตัวของเขาให้เขาเป็นโรคติดตัวของเขาอยู่ถึงจะประกาศว่ายาดีขนาดไหนคนที่สนใจมาเห็นเขาเขาคงซื้อเพาะเขาไม่รักษาตัวของเขาทําคํามสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปนั่นกันพระพุทธเจ้าท่านสอนมนุษย์ เด็กจิตใจมนรษยสุรสอนมนุษย์โดยความเห็นตาเหุนิญาสอนมนุษย์ให้ละชั่วบำเพ็ญดีอย่างไรตัวของท่านเองเคยประพปฏิบัติมาแบบนั้นเป็นยยอย่างอันดีงามเป็นครูเป็นศาสดาของโลกน่ะไม่มีอะไรที่จะช่วแย่หายสำหรับตัวของพ่าเองท่นานดันั้นท่านจึงสอนมนุษย์ สบายทางกายทางใจเป็นจานวนมากไม่เหมือนคืออาจารย์ฤิธะในสมัยปัจจุบันสอนแต่ปากแต่การกกปฏิบัติไม่เป็นย่างนั้นสอนให้เขาละเขาสอนแบบทางชั่วตัวเองกลับไปทำชั่วทำเสียสอนไม่ให้โลกให้ปู่ให้หลงฆ่าเองตัวยิ่เงเง่เงทางโลกทางปู่ท้งหลงนี่เป็นย่างนั้น มันจะมีอะไรที่เป็นผีกระทักใจงเขาเขาก็ดีหมิ่นมินทาหลาซ้อนใจปากหรือจะเป็นครูเป็นอาจารย์ควรเป็นนึกในขอน้อนี้สิ่งใดไม่ดีอย่าไปทําไปพูดในสิ่งนั้นลูกเล็กเด็กแยงนักเรียนนักศึกษาเขาเกิดดีหมิ่นมินทาครูอาจารย์หนักนั้น เป็นเรื่องสําคัญที่ควรดัดแปลงแก้ไขเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของใจจาดชนาสอนทั้งเรื่องของใจใจคนนี้เป็นของสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของกายกายถึงจะสวยสดงดงามลำรวยขนาดไหนแต่ถายใจชั่วใจเสียร่างกายนั้นก็ไม่เมีความหมายอะไรสมบัติที่มีมากมายหลายเหลวงตัวจะสุบหายไป าใจเขาชั่วเข้าเสียชาจนายยิงสอนเข้าไปถึงเหว่งห้องใจให้ใครคิดที่ไม่พิจารณาส่วนไดที่เป็นไปในทางเสียหายอยากไปทําไปถูดในสิ่ง น, นั้นถ้าหาทุกท่านรักษาใจของตนให้พ้นจากอบายคือปากทางความชั่วต่างๆ บัตอะไรจิตใจของเขาเก็เยือกเย็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นมีอาจมีิยธรรมในตนน่าตายึงดยงแจ่มใสมีความสุขอยู่ภายในไปสถานที่ใดเป็นสุขขัตตุไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนแผละเผาคิดขึ้นเมื่อใดกายสิ้นไปทําชั่วทําเสียทําแต่เป็นที่ดีมีประโยชน์วาจาตกพูดสิ่งที่ ไม่มีโทษมีกรรมอะไรสูดไปเป็นขติเป็นภาสิทิ์จิกดซิแต่เรื่องห่างผีสนละชั่วบำเพ็ญตนในทางดีสเสื่อไปคนที่มีจาระนะประจําเป็นอย่างนี้มีความสุกอยู่ตลอดเวลาจะไปต่ฐานสี่ใดเป็นสุกขโตทั้งนั้นเพราะไม่ได้ตัณมิตรตน ว่าทั้ชั่วปู๋ชั่วจิตชั่วอะไรใจเป็นเลือกเป็นเย็นใจสะอาดใจเป็นธรรมห้างสะอาดเป็นสิ่งจิตปรารถนาถ้าบ้านสะอาดวัดสะอาดก็น่าดูน่าอาศัยกายสะอาดก็มีความสุขพอทงส่วนเครื่องนุ่งเครื่องห่มสะอาดก็ไม่อับอายเขาไปแต่ถานที่ใดเขาต้งคมได้ บ้านในสะอาดผีทับคาใส่ในสะอาดจะนั่งจะนอนก็ไมีสะดวกสบายร้ายในสะอาดตกวโกกบกเข่าทั้งคนไม่น่ะเพราะอับอายเขาใจของเราผู้ไม่สะอาดไม่ค่อยไ้ดคิดโดยเติมใดรักษาแต่สิ่งภายนอกไม่รักษาภายในใจที่ไม่สะอาดก็คือใจโลภใจปกรธใจหลงใจติดกังวลอารมณ์ จะเดือดสบายคิดอ่านอะไรก็เป็นไปในทางขั้วทางเสียแต่นั้นเรื่องห้องใจที่จะสะอาดได้ก็อาศัยการพิจารณาอาศัยการชาระเหมือนกันกับเรื่องภายนอกาําระด้ยวยอะไรชาระด้ยวอดดยองอัตถิธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำํำสั่งสอนสติรักษาคิดกลมอะไรไม่เพื่อสติ ว่าสิ่งที่เราคิดไปนี้มีปัญญาหรอกหรือไม่เปินไปในทางชั่วทางเสียหรือเป็นไปในทางดกทางดีอย่างไรสูตราสต์ทั่วไปสั้ลเสร็จในหนึ่ควรคิดพิจรารณาดูสม่ำเสมออย่างนี้เมื่อคิดดับไปคิดไปปลุงไปในทางที่ชั่วที่เสียเมื่อมีแตติมีปัญญาพิจารณาอย่างนั้นจะห้ามกั้น ด้วยปาดเต่าอารมณ์ตัวนั้นให้ตกไปจากใจของตัวได้เมื่อไม่มีความชั่วเสียหายนาเกี่ยวข้องกับจิตใจของคนชั่วจะมีอยู่สัมฤทธให้ตกออกไปใจก็สะอาดใจก็โปร่งใสใจที่โปรงใสใจที่มีอัตมีธรรมตัวเองตัวเฉยเฉยสรรเสริญความสงบเย็นเย็นของใจที่ตัวรู้ตัวเห็น จะงดยยนอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอื่นเพราะทํางจิงสันพิจิโกจะรู้จะเข้าใจในตัวเองถึงคนอื่นเป็นเหมือนเป็แสนเขาจะเรียนหนึ่งยินทาแต่เท่าท่ผู้กระพฤตปฏิบัติอักธรรมให้ถึงแก่งของทางจิงจังท่านไม่ไหลไหลไปตามบนปากของเขาเขาไม่รู้เข้าเขาไม่เข้าใจเรื่องที่เป็นสื่อเหตุอยู่ในตัวของตัวเราเอง เขาจึงดูหมิ่นทารอย่างนั้นม่หมายถึงท่านผู้บุคคลปฏิบัติถึงอาจทำจริงจังแต่ลมปากก็เป็นิเดื่องันำคัญจิตใจทั้งคนมันมีทางทั่วไปมากหวั่นไหวมากเหง่ไหลมากเหือกันในเรื่องลมปากปากเป็นสิ่งเดียวกสําคัญท่านจึงบอกปากเป็นเอะเอะเป็นโทเพราะใจยังไม่ถึงอาจทำย่อมหวั่นไหวใจที่ถึงอาจทำแล้วเราก็แย่เจ้าท่านสะเพริบด ทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติดีทางกายทางวจาทางใจทั้งท่านมีคนที่มีจิตเล็ดนาะปัญญาอยากอิจฉาไม่อยากจะให้ทา่ทานไปในสถานผีนั้นสถานผีเคยมีดู ด, ดาา่าว่าก่าวเขพูดก็เองจ้างเข้ามาดา่จาจ้างเข้ามาว่าต่างๆนานาก็เคยโดนมามือ พระพุทธจ้าไมเคยหวั่นไหวเพราะเขาพูดเป็นลมปากของเขาเราเป็นอย่างไรทราบดีในตัวของของท่านดังนั้นท่านจึงไม่หวั่นไหวแต่พวกเราทั่วไปไม่เป็นอย่างนะั้นลมปากเกิดขึ้นอย่างไรมางอยางจะติดลมปากเข้าไปแทนที่เข้าหูเมื่อพูดออกมันก็ดับไปพูดอะไรมันก็ดับไปแต่พิจารณาได้อย่างนะั้น ไม่เป็นอย่างนั้นยึดเอาไว้ถือเอาไว้เดือดจัดาเข้าถิ่ใจทั้งตนว่าเขาบ่นเขาว่าเขาดา่าเขาใจแตกๆทำจิ ต, งตง ท, ง, ทงใจทั้งตนให้เดือดร้อนวันไหวในตามลมปากให้ทั่งจุลมปากดับไปพอเ ข, า, ขาพูดเมื่อยกว่ดับเพราะเขาปวดเมื่อยกว่ดับในวววเวลาทู่ว่าเสียงว่ากลิ่นอะไรสัมผัสในโลกอันนี้มันมีการเกิดขึ้นและแปรปรวนแตกสลาย จะเหลืหอหลอดอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็เลยีที่อยู่ที่อาศัยรูจ็จะกองเพิ่มตันขึ้นไม่มีที่พักพาอาศัยในวัตสัตว์ม่ว่ามนุษย์ถ้าเกิดในาตายแล้วก็ไม่จะเกิดตายเลยมีนันก็เลยมีที่อยู่ที่อาไศคยับขั้งแห่งกันเลยหมดทั้งโลกเสียงจะน้อนกันหากมันไม่ดับไปเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเสียงบางสิง่นบางอย่างมันก็ดังขึ้น เจ้าหูแตกถ้ามันดังอย่างนั้นดังคราวนั้นคราวนี้เพิ่อนจะยืดพูนขึ้นดืไม่ได้ตกแตกตายมีทุกจรทุกอย่างเกิดมาจะดับไปมีคือใจของผู้มีอัตตีธรรมที่ไม่พิจารณาตามความจริงของมันปล่อยวางไปตามสภาพท่านจึงไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไปตามเหื่ อ, มองมปากของคนหน้าที่ของตนงคนประปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะให้ใจทั้งตนรูแจ้งแทงตลอดเพื่อจะให้ใจทั้งตนสงบรงะงับ พระพุทธเจ้าหนึ่งสอนให้มนุษย์ทั่วไปศึกษาพิจารณาอย่างนั้นผู้ที่ศึกษาที่เรณาอย่างนั้นจิตใจต้องให้เห็นความสงบสงัดปฏิบัติถึงอาจถึงธรรมถึงความสว่างสวัสวยถึงความเบากายเบาใจเห็นความหลดไปจากที่เด็ดึ่งไม่มีเรื่องอะไรที่จะน่าสงสัยโลกอันนี้เราไปเกิดมามัน ข้มในตีนนั้น เทือกกระดูดหมายความว่าเขาเคยเกิเคยตายมาก่อนคือบินผีดอนผีเราไปดีเขาเป็นเจ้า อ, องมาเ่อะแต่เขาเอาไปไหนได้เนี่ยกร ะ, ะดูดพวกเขาเข า, ขาขไปเอาไปไหนได้อะไรเราจิตโยงของเร า, เาไปทางศาสนาทางสอ น, นว่าบิณกรรมที่เรา ท, า ท, ำำาทำำาํามาทํากรรมดีได้ดีทํากรรมชั่วได้ชั่วเรื่องเหล่านาี้ถ้างวิจารณาเป็นธรรม ก็อาจจะถือว่าหั่นสอนไม่มีสาระคนทําชั่วได้ดีมีทงไปคนทนคนําดีมีคนเรื่องมีท่างับไม่ได้ทําดีไม่ไดีดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเล่เม้าเอาอย่างนั้นมีความไม่เด็กจํานึกไม่เด็กที้พิจารณาละเอียดละออกเข้าไปเล่นในเทื่อเราเว้นบาปมีเพราะใจไม่เคยสงลังงับ ใจไม่เคยฝึกปฏิบัติถึองอาจถึงทําให้ก็เลยเกิดสงสัยคนนั้นพูดเราก็พูดตามเขาไปก็เชื่อตามลมปากเห็นนะแต่เหตุผลจริงจังเป็นอย่างไรไม่เข้าใจก็เลยเกิดสงสัยลังเลไม่อยากประพูดดีแต่พติไปอย่างไรก็ไม่มีอะไรเพราะคนตายไปไม่มีใครมาบอกว่าเขาไปเกิดดีมีสุขเขาไปตกทุกขดด์อะไรเนี่ย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 ทางศาสนาที่เราเป็นมิจฉาทิฐิเป็นบาปเป็นก ร, รมอาจจะกรรมทำไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าตายแล้วถึงเราจะทำอะไรก็ทำไปได้อนยะู่นะไม่มีบาปไม่มีกรรมผิดเป็นตามตัวไปข้างหน้าเพราะจะเีนเรียงกฎหมายไม่จะ่หน้าที่จับตุ้มเถอะนะจะทำอะไรก็ทำไปตามชอบใจของตัวคือไม่มีความละอายใจหม่มีอปุปสรรตัวต่อบาปต่อ ก, อก ร, รมที่ตัวทำไป คนแบบนั้นมีจำนวนมากเ อ, อ่าไรก็จก่บความเดือดร้อนวุ่นวายให้แกโลกคนนั้นและจิดใจของตัวเองเงิดชินอย่างนั้นก่อนับวันที่จะห่างไกลจากความจริงไปไม่มีความสงบเย็นใจได้ถ้ญญาหากจิตถ้าหากจิตยิ่งดามันดาดุจจิอุจการะคุณอย่างสะดวกสบายก็ตายไปแล้วศูนตายไปแล้ว เคยเกิดเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะความเชั่ยวมั่นอย่างนั้นเป็นทางผิดไม่ใช่ทางมีทางวิเศษอะไรความเชี่ย้องใจอย่างนั้นเพราะไม่ได้คข่คิดพิจารณาหลักธรรมะจริงจังหากมีธรรมะอย่างนะรู้พิจารณาเลื่อนเหตุผลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนตายไปไม่มี อ, อะไรที่จะติดตัวตามปไปอาศัยกรรม ที่ทำไว้เท่านั้นเพราะนี้ทาหาพิจารณากันก็คว้าจะทราบได้แต่มันปกปิดลึกรับสําหรับคนที่มีจิเตเลชปัญ ห, หาทาหาพิจารณาก็ไม่เหนวิสัยแต่เห็นจะเข้าใจในสิ่งเหมือนนั้นตามเป็นจริงเพราะพกคนตายไปไหนาหมาเกี่ยวขวนอะไรเข้าก็มาเด็กเอาจิตตนตามตัวไปทําดีทําช่วยไว้ก็มีแต่ชื่อเสียงของเขา ยังเล้ออยู่เท่านั้นตัวของเขาไปอย่างไรเป็นอย่างไรนั้นเหตุผลที่จะไม่ชื่อว่ามีบาปมีเลือดบุญบาปไม่มีนั้นเป็นเรื่องคนขาดการคิดิจารณ์นะบาปยังมีบุญยังมีทํายังได้ดีทําเช่วยยังได้ช่จะเอาปัจจุบันทางตาให้เห็นกันอย่างไงได้ก่อน ท่ไม อันเปน ใจเจ้าเห็นเรื่องต่างๆนานเห็นชัดสอนคนในต้องการอัดไทอะไรตั้งใจสอนให้รูเห็ุรู้ผลกระเพือกระเพิดช่อางคาสอนของพระพุทธเจ้ามีความสุขความสบายเพราะ่างสอนในรละชั่วบำเพ็ญดีคนที่เชื่อฟังแต่รัชช่อบาเพ็ญดี ส, ส, สอนของผูาเาคณะพิธีศาสนาเปคนที่นิจรย์นว่าเรานับพิธศาสนาได้อะไรจากศาสนาเข้าใจศาสนาจริงจังอดักหรือหักหือแตจเล่นปากอย่างของศาสนาจริงจังท่านสอนอย่างไรคนที่จะศึกษาที่นจเปรย์มาหาความรู้เอาไว้ มีความรู้ในด่านทั้งศาสนาแต่พฤตตัวถูกต้องในเรื่องธรรมะคนนั้นถึงจะไม่มีวิชาความรู้ด้านอืกก่นก็ตามคนนั้ น, น, นไปแต่ฐานที่ใดจะไม่อ ด, ดอยากอยากจนเพราะทำรับรองเลยว่าทำโมหาในรักขจิตธรมะใจดีทำรักษาสุประพฤติธรรม ถึงจะไม่เ อ, อ, อาวุมิโทรประกันอะไรไปอยู่ตามป่าตามเขาแทนที่สัต ร, ร้ายต่างๆจะมากัดมากินมาทําร้ายก็ไม่เปนไปเพราะใจท่านเข่าถึ้งทำทำรักษ า, าท่านแทนที่จะเลว ย, ยากยากจนเพราะการไม่เต็มสั่งไม่แต่ทำไม่มีวิชาความรู้อะไรแต่ก็พอเป็นไป คือเลี้องใสยินดีที่จะบริจากให้นี่คอเร่องที่ทำประจําตัวทํารักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ตกไปในที่ชู่มีสถานที่ใดมีกายใจสงบมีกายใจสบายไม่ยุ่งวายกังวนไม่เหยียามทําความดัสอนของพระเจ้าทุกคนึควรเขินใจควรประพฤติควระปฏติ ที่แตสุดเผ่าตับใจถึงทำ ในดีดีดีอาใจร่วมกันเป็นโยชสมาอย่างนั้นการบรรทอนหรือการตระทับหรือการเตะ ในพระไทยเขคิาเองคิดในพระไทย็ขาคิดเองอยบางนั้นจึงจะเด็ดออกทรงพระากษ์มันพจาราเมื่อท่านจะวิปัาแต่ทำความผากความเพียนในตองอาศัยปราถาทลาวสวังพอใจ อยากจะให้หายอยากจะให้ดีในหินดี้วินวายในขัดขอ้อถ้าดาใจในาจำรัสษาสางโดยอัดคำคำสอนของพระพุทธเจา้าตัวพิสติปฏิบัติตัวเคยรู้ทั่วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีทางสงสยัยจะอยู่จะไปยินดีเต็มใจเสนอกันคุ้นค่าสาระอะไรที่เราตาักนาเราต้อการ เราได้เห็นได้เจแล้วในตัวของเราจะดีไปเงินปีแสนปีอะไรทึ่จะดีขึ้นอีกก็ไม่มีแล้วเข้าใจไปจากชักจิ้มสิ่งที่เจอละเพลินลงเพลินจีอะไรเราได้ละในบนเพลินในจิดในใจของเราแล้วไม่มีอะไรสงสัยใจผานผูนสงบใจ่านผู้สะดวกสบายมีความสุขตลอดเวลาทั้งตายทั้งชีวิตอยูมีคือจิต ที่สุดฝนอบวมถึงที่สุดมีความสุขมีความปล่อยเสดขนาดนั้นไม่มีใครที่จะมาอบรมใจให้เรานอกจากเราจะอบรมเองนอกจากเราจะกระทําเองแต่นั้นขอทุกท่านจงนหมั่นคิดพิจารณาชำระใจของตนถือว่าการชำระที่เหลันหาสำระใจเป็นหน้าที่ของเรา ไม่ใช่มาจากของคนอะื่นและเป็นเรื่องจาเป็นยึดต่อสักสิ่งสักอย่างเพราะสกสิ่งสักอย่างที่เราคิดว่าจำเป็นไม่จำเป็นเท่ากันกับการประพฤติปฏิบัติใจของตนเคยจบแล้วครับหากทุกคนสนใจรักษาเอาไว้ด้วยสติม ena, ีปัญญาแม่สอนตนให้ประพฤติปฏิบัติทางมีและชั่วยเสนอไประวังจิตใจไม่ให้สายแส ในตามอารมณ์สัญญาที่เหตุต่างหาต่างๆคนนั้นแหละจะมีทางสงบคนนั้นแหละจะพ้นทุกข์เพงพากาันหมั่นที่จะเรณาศึกษาปเพื่อปฏิบัติกายวาใจาใจทั้งตนเพราะยังไม่สายเกินควรพอที่จะพ้นเพื่ปฏิบัติได้หากเรามองข้ามแบบศาสนาเป็นหนาที่ของพระของเนยเป็นหน้าที่ของผู้อื่น เหนื่อยเส้นใจต่อยให้ไปเป็นเหื่อต้องเป็นอื่นที่เดือดตันหาเขาเปนอื่นเขาชั่วเขาเสียเราจะเบรช่วยเหลือเสียไปตามเขาเขาสุขเขาสบายเราจะมีนสุขสบายตามเขาถ้าเราถือว่าตัวของเราเป็นเหยื่อสําคัญกว่าคนอื่นตัวควรที่จะประพฤติตีแบบตัวของตัวลายชั่วบำเพ็ดีให้มีความสงบหนีเป็นจุด สี่พระพุทธเจ้าเซนเนสอนศาสนาพุทธพุทะคือผู้รู้เห็นุชั่วพลิกูอยากละเอียดในตัวของตัวพุทธะคือผู้ตื่นให้ตื่นจากความชั่วอยากไหลับหลงในทางชั่วทางเสียทางไม่ดีพุทธะคือผู้เมานให้จิตใเลิมบานยินอย่าง่มใสอยู่ตลอดเวลาอยาให เหนือแห่พุธคือเดือดร้อนทุกข์วัยนี่คือพุทธะภายในที่ทุกคนผู้ปฏิบัติจะได้เห็นเป็นขึ้นในตัวของตัวหาทุกคนสนใจนํำธรรมะที่ประพุทธเจ่ามาศึกษามาที่เจนานมาปฏิบัติคนเหล่านั้นก็จะมีความสุขความสงบสงัด คามสะดวกสบายในใจของตนดนั้นขอทุกคนโปรดนำไปที่ที่เจนะการอธิบายธรรมะจเห็นว่าพอสึควรทีเวลาวิจิตรเป็นนี้